เมื่อได้ตอบย่อมบิดาแล้วเดิมบิดาเลยว่าเออจะผลยาให้ยินเดี๋ยวกฎหมายว่าอย่างนั้นแล้วยมก็เลยแก่ถุงยาออกแล้วก็เอาน้ำใส่ขันผลยาใส่ขันน้ำให้กระด้างยมบิดาผลยาอยู่นั้นจึงนต้อยาหอมหน้าฉันหน้าดุน จริงจริงคือรอกู้สึกว่าคุกจะจริงพอแล้วค่ายค่ายกว่าจะมีกาลังขึ้นขึ้นเลยเมื่อยันพิดาผลยาเสร็จแล้วเราๆๆๆยกไปถวายข้าไปเจ้าข้าไปเจ้าฝุา่นนั้นจนหมดหรือพิดาจุาาดโอกาสนั้นเลยแต่แต่อจากฉันยากระตุ้นขึ้นก็ดีรู้สึกตัวนึกว่าตัวได้ฉันยาจริงจริงเมื่อวัาที่จะมาแล้ว เป็นเรื่องของมิมิถือว่าปฝันตัางหากก่อนนั้นมาวันใหม่อาการของไข้ก็เลยลดลงไปเป้นหายไข้ขาดไม่มีไข้ต่อไปแต่ร่างกายก็มีกำลังขึ้นรับอาหารก็ได้เป็นปกติตั้งแต่นั้นมายังไม่เคยปรากฏอาการเจ็บป่วยแบบนั้นแไ่อยู่ที่ไหนไหนรู้สึกว่าอาการไข้ไม่มี จะเป็นเพรเหตุอะไรก็อหมาทราบจะเป็นเพราะอะได้สัญญาณหรือต่อมายทราบแต่ก็ไม่ไ ด, ฉด้ฉันด้วยจริงๆฉันโดยนิมิตในความฝันต่งางอืมเมื่อการเจ็บป่วยได้หายแล้วผมเด็จเอกถึงคุณฤดามันดาว่าอ๋อคุณฤดามันดานี่มีมหาศาลหาประมาณไม่ได้มีบุญกุศลมากเลยแต่แ อ, อุกิบุญกุศล ที่คนไปบำเพ็นมาตั้งแต่เล็กจนตับเข้าต่อชีวิตขอทิพย์ให้แกยอมคงสอคืุริดามัรดาผู้เลื่อนรับไปหากยอมคงสอนปุริดามัรดาผู้เลื่อนรับไปท่านดวนวิญญาณของท่านจะยิงสิงคุตฤะที่แห่งหนึ่งตำบลใดสติใดสมัยใดระคตใดชั้นใดขอให้บุญกุศลที่ขราเจ้าทิพยนี้จนถึงยอมคำสองนั้น แล้วให้ยมทั้งสองนั่นได้รับเกินบุญุญสเมื่อรับแล้วขอให้ท่านทั้งสองนั้นได้พ้นจากทุกภัยอันตรายนะดังนี้แล้วต่อนจะนั่งทารอาการไข้ไปอยู่ที่ไหนที่ไหนก็สงบดีเรีือและเดีย๋ยต่อมาไครจะเข้าพรกษานี่เลนหนึ่งพ่อสาวเข้าเป็นหนึ่งซึ่งเป็นญาติของอาปัจจัยแล้วก็แม่ชีแก เกนลังมาอยู่ด้วยและไกล้จะเข้าภาษาอีกเจ็ดวันเท่านั้นยมตู่ภาษาทั้งสามสอบตัวเรียนนั่นแหละสองตัเรียนนั่นได้มาในมลตาปเจา้าไม่ให้โดยจอมป่าที่ขับจับเพราะเขาเห็นว่าเขาเป็นคนจนจนอดไม่มีข้าวกินกลัวจะเลื่ยงรักเน้นไม่ไหวว่าผ้าเนีนจะอดข้าตาย เขาทำริอย่างนี้จึงมีความกันทั้งสองคนมาในมลให้ข้าพเจ้าหนีพระจ้ามัทสาธารที่ไม่ให้จรมมาสต์ที่ขั้นจรข้าพเจ้าก็ได้ตอบย ง, งสมณะเแล้วววันนี้ก็ควรจะหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้จึงค่อยที่มากันให้ศึกษาครับให้ปึกษาพวกนี้ข้าขาวดูก่อนแล้วชาวบ้านสมงนเขาก็กลับบ้านาการพบับจำเวลาการเตรียมข้าพเจ้ากประชุม พวกแนนพ่อขาวและแม่สีว่าตัดทาที่เลี้ยงพวกเราอุปถัมภ์วกเราเขามีมนให้พวกเราหนีเพราะเขาไม่มีข้าวให้พวกเรากินตัว่าพวกเราจะอดต า, ายเขามีให้จำํำภาษาจีนีให้ไปจำภาษาอื่นพวกเราจะว่ายอย่างไรยายซีแก่ได้ยินทางนั้นแกพูดเป็นว่าเออดีเขานีม น, นให้ไหม คนนี้สิเขาไม่มีข้าวให้กินจะอยู่ทำไมนี่ใจคือแกกแปลว่าจำแสเขาไม่นี้ิมนก็ว่าจะนี้อยู่แล้ววันนั้นแล้วถามเล่นเล่นก็ว่าจะไปถามถ้ า, าเท้ า, าเท่าอ้าเ้าเท่าก็ว่าจะไปถ้าพระเจ้าก็เลยถามว่าจะไปวันไหนไปวันพรุ่งนี้จะไปจำพรรษาที่ไหนเอ า, าไปไหวไปจํารรษาที่บ้านกิเลศชื่อดีมาเออหากันไปเสีย ว่าอย่างนั้นที่ยายสีแก่แกจะย้อนถามตาไปเจ้าอ่ะอาจารย์จะไปหรือตาไปเจ้าตอบยายสีแกว่ะสำนักบัตมาไม่ไปแล้วเพราะว่าตมาตั้งใจจะจับมันสาที่าำจัดยายสีแกว่าะจำยังไงเขาไม่มีข้าวให้กินจะกินอะไรตาไปเจ้าตอบยายสีว่ะไม่นี้ข้าวก็ามากินกินแต่น้ําเพราะว่าข้าวเขาเคยกินมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้เมื่อกินข้าวอยู มันภาวานาไม่เป็นทีนี่มันไม่มีข้าวกินก็ไม่กินมันจะอดอยู่ยางนั้นน่ะกินน้าเอาและข้าพาเจ้าเพราะว่ามันใบเ ม, มาหลมซีแก่วใช้เอาใบเม่าให้ไม่มีก้ก็กินน้ําอือจะขอจำพรรษาที่นี่ไม่ไปแล้วถึงจะอดก็มัมีข้าวกิน ก, ก, ก, ก, ก็ยอมตายในพรรษานี้ไม่ถอยจะประกอบแต่ความกล้ความเทียน คนงามคนดีเท่านั้นให้ตายอยู่ในสนงามคนดีไม่ไปปคนเด็ดขาดพวกแม่ขาพวพ่อขาวเนีนจะไปก็ไปเถอะจนข้าพเจ้าไม่ไปแม่ตายก็มันตายเสียตายด้วยการทําก็ชอบคนเดียนนะและจะได้เป็นประวัติตืดต่อไปว่าพระคุณ ด, ดงกรมาารมฐานเป็นผู้ที่มีใจเด็นเดียวไม่มีข้าไม่มีอาหารชินพอข้าวอธิษฐาน ลูกตาจำมังกรที่ตั้มจันทําทั้มภาคเทียนจนตายเพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่วงขณะปฏิบัติต่อไปไม่ไปแล้วเมื่อพระเจ้าประกาศอย่างนั้นว่าไม่ไปพวกเนนพวกข่าอาวได้ใจสีแก่ประหลาดท่าอาจารย์ไม่ไปพวกผมก็ไม่ไปอาจาราย์ใจก็ใจด้วยก็ทรงเลยได้จำภาสาร่วมกันในภาษา น, นั้นตั้งอกตั้งใจทําค้มภาคกเตียนเลยสะดวกะตายสิเดียวและ ในสถานที่ชั้นจันนั้นมีของกแปลกมากมีพระโบราณฝัองอยู่ในดินอากันขุดจูตานถ้าพบแสน พ, พระพบเสียนพระและตัวห้องพระแต่เป็นพระเจสรมากและที่ชั้นจันนั้นสมัยนั้นมีสัตว์ป่ามีช้าง ม, มีเสือมากทีเดียวพวกหูใหญ่หูจำอ่างเก็มากมา บ่ยๆพวกทางมาใกลใกล้ที่ตั้มจันนั่นนั่ะเองหากินอาหารดูตามบริเวณนั้นเมื่อ อ, ออกกันตกลงข่าวันนี้แหละอ่าอาที่ ร, ร่าก็อดข้่าอดน้ำเขาที่วนหนีได้ยินไปตามหมู่บ้านที่อบอ่าหมู่บ้านที่ล้อมเขาก็มาสืบดูเห็นหน้าั้มันกันดมากตกหลงพวกหมู่บ้านที่รอบดูกใกล้นั่นเขากเลยแต่มกันให้ส่ง อาหารเจดวันต่อครั้งเจ็วันต่อครั้งนทีนีนคราวนี้เรายินไปถึงอันรบริการสมัยนั้นหมอพักโสรสักิชินดาซึ่งเป็นหมอนามายัยเป็นเรหน้าหมอนามายัยประจำอยู่อันเพิมได้ยินก็มาตอไปถึงดูแต่นที่ือปรจันปันนานมากเ็ได้แ ต, งต่งคนให้ไปส่งอาหาร7็วันสมบูรณ์สมรคาอกลงว่าในบารานั้นการตกแต่าสสอาหารโตรงข้บนดี พอสมควรไม่อดไม่อยากน่ะไม่หักไม่เริมไม่หิวไม่หอดนี่จะเป็นเพราะอันตรายในสมแห่งความบดทนอย่างนี้ก็เป็นได้น่ะนี่แหละเมื่อออกพันตาแล้วอาพวกแม่ขาวมม่สีหัวกระเน้นตขอกลับนี่ไปบ้านเขาอ่าทีนี้ยังเหลือข้าพระเจ้าอยู่นั่นอีก อยูมาหลวงครูบัวที่อยู่ดอนวัดบันหน้องแสงท่านก็มาอยู่ด้วยด้วยไในเราดูแรกอ่าขณะที่หลวงครูบัวมาอยู่นั่นอ่าอ่านว่าที่ทจาใจนนี่ผมได้ฟังว่าภาวนาดีสต่ร้ยมุ่งหน้าไอ้ที่ทจำใจเมื่อไปแล้วท่านก็ําบ็ตั้งใจทำกุญเพียนทำความภากเพียนอยู่ที่นั่นจำแต่ เดือนธันวาจนถึงเดื อ, อนกรกฎาที่อยู่เรียมกันกหลวงสูเบั ว, วระวังดูแลงี่ยทำใจนั่นแหละได้ปฏิบัติร่วมกันและก็ได้ผลลัพธ์นา ป, าปลาใสกายปฏิบัติทำทั้งด้านภายนอกและภายในเพื่อเป็นกานแรแลกเปลี่ยนตามรู้ขยันของกันและกันในทางปฏิบัติครับ หลวงคือบัวท่านในเล่าประวัติของท่านคือความเป็นมาในการปฏิบัติกรรมในการภาวนาของขั้นเล่าให้ข้าราชการฟังข้าราชกันได้ต่อสมัยที่ท่านยังอยู่วัดหลังแตนผู้ด อ, อ น, นั่นท่านได้เข้ามิโรธสมาบัติกำหนดสามวันบ้างเจ็ดวันบ้างจึงออกจากสี่ภาวนาท่านได้อย่างนั้น และข้าพเจ้าะยาถามผ่านมา่าวิธีเข้านิโรธเข้าอย่างไรข่านมา่าเมื่อพิาจาราไปหรือบริกรรมไปจิตมันบางอารมณ์มันรวมอยู่สัตระจิตตายบริสุทธิ์หมดจดที่านั้นมันบางเวทนาไม่มีเวทนาไม่ปรากฏเวทนาทางตายสังขาดทางขันเลยจิตออกจากขา ดูเฉพาะจิตวนรุนบริสุทธิ์ใจสะอาดอยู่อย่างนั้นมีความสุขมากท่านว่ายอย่างนั้นมีทาา่านกายนโรดเวลาออกมาพายเจ้าเลยถามเวลาคิดถอนจากขณะเป็นอย่างไรเวลาคิดถอนจากขณะก็เมากายเมาใจทำให้ตายและใจสบายดีมีความเลกบานตายและใจชุ่มชื้นอยู่ตลอด เวลาอ่านมาทนี้เวลาปกติอยูด่ด้วยอะไรเรียนถามท่านเวลาเวลาปกติอ่านมาก็อยูด่ด้วยความสงบอ่าแล้วก็มีความสีิีดีต่อจิตของคนที่รวมลงสู่พระบางหรือสีิีจิตนั่นนั่นการว่ายอย่างนั้นข้ า, าพระเจ้าก็เลยย้อนถามหลวงปู่ว่านิโรธแปหว่าความดับทุกข์ ตัวนี้หรือเป็นตัวดับทุกข์ทัาไหมใช่ตัวนี้ดับทุกข์เพราะเวลาเข้าไปไม่มีทุกข์เวทนาอะไรเก็บปวดปวร้าวแม้จะนิดหน่อยก็ไม่ปรากฏในขณะนั้นนี่ท่านอธิบายโยงนิโรธท่านจะราย้อนถามไห้ว่าเมื่อเป็นที่นี้นิโรธท่านแปลว่าผู้ดับทุกข์คือไม่มีทุกข์ก็แปลว่าดับหมดก็เป็นทันทันเท่านั้นตัวนี้หรือเป็นตัวทันทันนิโรธนี่หรือตัาญาใช่แหละอย่างนั้น แล้วสนทนาแลยกูตื่นตาตื่นใจในทางภาวนาขึ้นข้าพเจ้าก็ไม่เคยได้เข้าเรียนโรดชนิดนี้สักทีเลยในสมดต้องข้าพเจ้าไม่มีอะไรอืมเื่อสนทนากันแล้วก็เลิกกันไปและข้าพเจ้าขอเลยลามไปพิจารณาดูเรื่องยีโรดของหลวงปู่ว่าเป็นอย่างไรวันหนึ่งข้าพเจ้าได้นําไปพิจารณา เห็นอหมนะไปจิตคลายสงบลงสงบลงเลยจิตนึงพูดจนหนานีโรตนี้ยังเป็นทั้งขานอยู่อือทำนะไรยังเป็นทั้งขานการจัดทับอยู่เพราะเหตุว่าในโรตนี้ยังมีการเกิดและการดับเกอดมีการเข้าและการออกอยู่ไม่คาจากเหตุและปัจจัยอันเป็นเหตุให้เกิดตัวตนสัมย ต, ตัวสมุทยัยตัวตัณหาตัวอาสวะตัวกิเล เพราะจิตเป็นิดนี้ถ้าเข้าไปรวมแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีกิเลสเมื่อถอนออกมาก็เป็นจิตธรรมดาเป็นนิโรคที่ไว้ใจไม่ได้และข้าพเจ้าเลยนัดถึงท่านที่ท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นผู้ทร่ท่านตหม า, หาเจรได้เล่าเรื่องของท่านพระอาจารย์สู่เข้าที่โรดให้ฟังในขณะที่ข้าพเจ้าจำพรรษาร่วมกับท่านพระอาจารย์มั่นนั้นในปรรษานั้น ท่านได้ประกาศให้บลรดาสามสิบต่างหายสากทุตุองว่าในสมัยหนึ่งท่านคล้ายกันกูท่านเข้าไปนมัสการท่านคล้ายกันมั่นแล้วท่านคล้ายกันมั่นถามท่านคล้ยกันกูอ่ะท่านกูจากกันไปนานไปยังไงพากรนาหรือไม่มีท่านคล้ายกันมั่นถามป่านคล้ยกันกูจำได้ท่านคล้ายกันกูเลย ต่อลายขันธ์ไตรจันทนั่นบ่ากระผมภาวนาน้อมจิตเขานี้โรธในขันธ์ไตรจันทร์่ัท่านไตรจันทร์นั่นเลยยอนถามบ่าใช่น้อมจิตเ้านิโรธน้อมจิตไปย่างไรอืมท่านไตรจันทรนถามท่านธไตรจันทร์ผัวต่อทลายขันธ์่าน้อมจิตเขานิโรธดูทําให้จิตสงบแล้วก็นิ่งอยู่โดยไม่ให้จิตนั้นนึกจิดไปอย่างไรให้สงบและนิ่อยู่อย่างนั้น นิวรการ น, นิมนตมจิตเปรียิโรธแล้วเป็นยังไงเข้าใจข่านจานทร์กูเลยตอบว่ามันสบายไม่มีทุกขกัเวทนาเวลามันถอนเป็นยังไงเวลามันถอน ก, ก็สบายทําให้ตายได้จิตเบาอืมตอนนี้ข้านในประกาศให้ทราบทั่วกันบรรดาการ น, นิสิตอืมข่านในจานทร์มั่นก็เลยอธิบายเรื่องนี้โรธว่า น, นิโรธะก็แบบความดับหรือดับ ทุกดับเหตุดับปัจจัยซึ่งเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เกิดทุกข์ทั้งหลายเธอดับอวิชชาตัณหาแรงจึงเรียวกว่าเป็นนิโรธจะไปถือเอาว่าจิตที่จะรวมลงสุขวังหรู้สีสิจิตเตนนั่นเป็นนิโรธมันใช่ไม่ได้กันล่ะจิตชนิดนั้นถ้าขาดสติปัญญาพิจารณาทางปัชนาแล้วจะไม่ขาดจากสังโยชน์ดังมีสังโยชน์คุ้นเคยอยู่เมื่อถอนมาก็เป็นจิตธรรมดา เมื่อกระทบกับอารมณ์ต่ตางๆนานเข้าก็เป็นจิตที่ปุจจารส่นน ว, น, ว น, น, นจากความสงบหรือความรวมชนิดตันงในท่านอาจารย์มั่นท่านถามและท่านอาจารย์มัน่นท่านเคยประกาศให้ทราบว่าผมก็เลยรูย้พิจารณาดูนิโรธของพระหรือเจ้าดูท่านว่อย่างนั้นพิจารณาดูได้ความาว่านิโรธพรก็หลัความดับดับเหตุดั บ, บใจให้เกิดทุกข์ทั้งหลายคือตัณฑ์ตัณหาให้สิ้นไป ดับกระนาดโดยไม่ให้เหลือนั้นนั่นเถียงความละกระนาก่อบางกระนาดความปล่อยกระนาดความระระขาดจากกระนานี่จึงเรียกว่านิโรธนิโรธของพระริเจ้านั้นเป็นอาการิโกเออเป็นนิโรธการดับทุกข์ู่ตลอดเวลาไม่อ้างการมา่งเวลาไม่เหมือนนิโรธของพวกฟิลิสีสีไปภายนอกศาสนาส่วนนิโรธพวกฟิลิสีสีไปภายนอกศาสนานั้นมีความมุ่งหมาย เพราะอยากแต่จะให้จิตของตนรวมอย่างเดียวสองอบอย่างเดียวรางอารมณ์อย่า ง, งเดียวแล้วเมื่อจิตถอนใจอารกมแล้วก็ไม่นึกน้ำก็มาให้รู้เห็นกัดจะทำคือทุกข์เกิดให้เกิดทุกข์ทำมันที่ดับทุกข์ในข้อปฏิบัติให้ถึงทำมันทีดับทุกข์ยินดีเฉพาะแต่จิตที่สองอบรู้เตือนอยู่เท่านั้นว่าเป็นที่สุดของทุกขเมื่อจิตถอนก็ยินดีเพื่อเพื่ออะไรในจิตที่รวม บอกตรงกันเลยสมกิตของตนให้ยุดในเรื่องอดีตบ้างอนาคตบังและปัจจุบันบ้า ง, างส่วนกิเลสปัญหานั้นอาย้ําอยู่ย้ํากินอาสวะนอนนิ่งอยู่ในหัวใจนั่นเองทำได้ยังนั้นทีกท่านก็ได้ท่านก็เลยอธิบายเรื่องนี้หมดของพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าว่านีิโรธคือความดับทุกข์ของพระอริยเจ้านั้น ต้องเดินตามมัสสมาปฏิปทาการสาาังขารคือความเห็นชอบดํา้วยชอบวาจาชอบต่างานชอบเลี้ยงจิวชอบเพียรชอบหรือชอบตั้งใจไว้ชอบนีลุึม จ, จักนิโรธคือความดับทุกดับเสียติดตัุกท่านได้อย่างนั้นนิโรธของพระเจ้านั้นท่านจึงเป็นนิโรธโดยตลอดกาลเวลาไม่อ้างการไ้างเวลาไม่ให้ว่าการนั้นจึงจะเข้านิโรธการนี้จึงจะออกจากนิโรธไม่เหมือน ในโลกของพวกรูนถือจีนไทยทายนอกพระพุทธศาสนานี้ท่านถ้าอาจารย์ใหญ่มั่นวิชาตกรรมมหาเจระการแสดงไว้อืมถ้าไปแก้อะไรจําตามนั้นได้ทีนี้เมื่ออย้่ร่วมกันในารูเรง ก, กับหลวงปู่บัวนั่นนะได้สนทนาธรรมะแต่เตลียนความรู้ความเห็นซึ่งกันและกันซึ่งเป็นที่ออก็อบพอใจของกันและกันแล้วอยู่มาสมัยหนึ่งคณะนั่นแหละ หลวงปู่บัวท่านเคเข้าโยโรทท่านเคยเข้าที่ท่านจัดท่านเข้าอยู่สามบันแล้วจึงออกบินถบาต้าเจ้าไปเรียนถามท่นม า, น, า, าทนว่าเปยังไงคอนโโรทท่านบัาสบายดีจิตมันวนดีไม่มีความเจ็บความปวดอะไรอะไรที่ปรากฏขึ้นเวลาถอนมาเป็นยังไงเขาเจ้าถามเวลาถอนมาจิตก็สบายใจก็สบายายก็สบายมี สเบาจิดเบาสบายดีทันไ่่นั้นทีนี้อยู่มาข้าพระเจ้าก็เลยได้มีมิตรเกี่ยวกับท่านในมิตรของข้าพรเจ้าถึงไา้ปรากฏเป็นหลวงปูบัวนั่งอยู่ในกดในมุง่งนั่งภาวนากับตาเนิ่งอยู่าพระเจ้าก็เลยเข้าไปหาท่านเปุ่งออกแลก้วักท่านได้หลวงปู่ หรือแต่นั่งอย่างเดียวนั่งสงบอย่างเดียวในเปียริยาบทเหลือเป็นโลกเล็ตตาและอมพาสกายนะต้องออกก็เดินจงกรมเปียริยาบทบ้างสินี่ข้ า, าพเจ้าทักท่านในขณะนั้นพอท่านได้ยินท่านก็ลุกจากที่ไปเพระวันอ่าไปโดยนงกรมและข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องมิมินี่ได้ความเป็นต้องไหนเือในหนึ่งได้ความว่าข้าหลวงปู่นี่ป่วย โวยมากแค่กันดาตายแต่ไม่ถึงตายในสองถ้าภาวนาไน้รูค้คนทำเต้นที่พอใจนับได้หายสงสัยทีเดียวนี่วิจารณ์นานในนี้นิดนั้นรุ่งเช้าก็พากันไปบินถ บ, บ, บาทขันไปบินถบาทคณะที่เดินร่วมกันบินถบาตทข้าพเจ้าก็เเรียนให้ขันกราบทราบคืนวันนี้ คืคนที่แล้วนี้ผมได้นิดของหลวงพ่อถามเรียนถามมาได้นิดอะไรก็เรียนท่านละผมเห็นหลวงพ่อนั่งเฒ่านาอยู่ในมือหลับตานั่งนิ่งอยู่อย่างเดียวผมเลยจะพักว่าหลวงพ่ออยานั่งมากอย่าสงบมากลุกออกเดินบ้างเดี๋ยวเป็นโรคในตามาพักพอหลวงพ่อได้ยินผมพักอย่างนั้นหลวงพ่อก็เลยออกไปเดินกับผมทา่ารน่า ท, ท่านพิจารณาได้สองอย่างแต่เรียนท่านว่าได้เป็นสองในในหนึ่งพาหลวมพ่อป่วยป่วยมากแทบบรรดาตายแต่ไม่ตายในที่สองาพาภาวนาจะหายสงสัยในเรื่องของธรรมะดังนี้โยมมาอีกสามวันมาและวางจากกันสนทนากันสามวันท่านก็เลยมีอาการเจ็บป่วยขึ้นเมื่อท่านเจ็บป่วยขึ้นท่านก็เข้าในรถอีก ตามเดิมเพื่อรับนับอาการป่วยนั้นหายไปห้ามเข้ายืนอยู่สามวันน่ะจนออกจากนิโรดเมื่อออกจากนีโรดอาการไข้อาการป่วยก็ยังไม่หายข้าวเจ้าเลยไปเรียนสาม่านว่าเป็นยังไงหลวงพ่ไข่ตามตอบว่าเวลาจิตมันก็รวมมันก็ไม่มีไข้ไม่มีโรคคือ่สบายแต่เวลาจิตถอนจากการรวม ออกมาแล้วโลกภัยทัศเจดีย์ยังคือต่อไม่รล้าจักขาดกันนี้ท่านว่าใครจะรยันถามว่าเมื่อเป็นที่นี่จะทําอย่างไรอ่านได้ตอบว่าเมื่อเป็นที่นี้ก็ต้องเข้านิโรธไปหมดเพื่อดับเวชนะขาพเจ้าเยย้อนตอบท่านว่านิโรธอย่างนี้ก็เป็นนิโรธที่ว่าลบหลีกจากเวชนาไม่พิจารณาเวชนาสินี่ตอบกันสนธนาแหละความรู้ ตวามเห็นซึ่งกันกันในขณะนั้นและอยู่มาวันหลังอยู่ทา่านว่าคืนวันนี้ผมได้นิเม็ดใด้้อนว่าพิจนาต้องขันร่างกายอายุของผมป่วยคนาดนี้จะถึงแก่ความตายแน่นอนทีเดียวนี่ ท, าา ท, าาทาา่านว่าอันใดควรไหนนิเม็ดสำคัญข้าไม่เชื่อเลยย้อนถามท่านว่าจึงหรือจึงทา่านล่ะอ่า เจาเจ้าก็เลยอธิบายทางทางว่าเรื่องคนตายมีสองหนในหนึ่งขาดขันมันตายขาดใจลมหายใจในสองสเสด็จมันตายตายใ น, ในไหนอันบาตายในที่หนึ่งคือขาดขันมันตายขาดใจลมอืมก็ได้เรียนให้ท่านพิจารณาอีกย้ำอีกว่าจะจริงยังไม่ก้นหลังมาท่านก็พิจารณาย้ำอีก่านบาจริงอืมทางเจ้าก็เลยเรียนทลายท่านหลับผม เลยเรียนให้หลวงตูทราบแล้วว่าวอนนี้ข้าป่วยป่วยถึงแทบปรดาตายแต่ไม่ตายถ้าตายธรรมะจะได้จัดเตรีมเครื่องแกงใส่ในธรรมะต่อไปเขาจะได้คัดข้านกันว่าไม่เป็นไรครับไม่ตายอนุาแน่นอนอืมขอให้หลวงข่อย้ำอีกเป็นประที่สาบท่นกันแน่ว่าตายจริงๆ ต่อจากนั้นท่านก็เลยตัดสินว่าท่านจะตายอาจจากสียชีวิตจริงๆโดยสั่งให้ข้าพเจ้าระ ย, ายัดยมทำเหตุศพในเรื่องนี้ท่านก็ตั้งําตักให้ทรงข่าวถึงกับคุณธรรมเจริย์ทนธูบุจมทันทุโรตุมเี้าวดดมสมพร อ, อุดรธานีว่าท่านจะตายแล้วเพราะท่านทรงอุยุสําผัสข้าพเจ้าก็เลยทรงไปตามที่ท่านสัง่งเรื่องตนไมอยากจะทําเหตุทาศพ แต่ทำก่อปูเข็นกาลังจำเป็นประต่าครับเมื่อทําเสร็จแล้วเอามาไว้ข้างข้าให้ทันดูแล้วอาการป่วยก็เลยลดหยอ่อนลงไปนะตามระดับระดับผลลัพธ์สุดหายขาดมเมื่ออาการปวยหายขาดเสร็จแล้วท่านมาพิจารณาเรื่อง น, นิดและที่ท่านสวมข้างขันเด็ประกาศไปนั้นไหวจะกายบนพื้นพื้นทำท ำ, ทำบ้างนะว่ามันจะตายไม่ตายมันเป็นยังไงเนี่ย ท่านว่าเมื่อข้าพเจ้าเห็นอาการอย่างนั้นข้าเจ้าได้ช่อมก็เลยเข้าไปสนทนากับพันให้อบายพันว่าอย่างนี้แหละโบราณท่านล่าฟันตื่นขี้เจ้าของคือฟันมันขี้ออกแล้วนั้นตื่นขี้มันเข้าใจว่ามนุษย์ความข้อนใจหรือยิงตูนไก่มันก็ตื่นขี้มันมันก็เลยร้องกระโดดโต้เต้นวิ่งวิ่งหนีไปเพราะมันตื่น ในระวางที่สนทนากันนั้นนะเชื่อว่าได้ตอบท่านเป็นสองในในหนึ่งถ้าหลวงปู่ป่วยป่วยมากแต่ไม่ถึงตายเกือบตายในสองข้าพูดถึงด้านธรรมะภาวนาหลวงปู่นี่จะเป็นผู้ได้บรรลุธรรมเป็นที่พอใจนะ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 ชีวิตของผมเห็นจะมาถึงเชียงแค่นี้ผมอาจจะตายในคราวนี้นี่ท่านว่าและข้าพรเจ้าก็เลยย้อนถามท่านว่าเป็นยงงอย่างไรจึงว่าอย่างนั้นเพราะท่านตอบท่านตอบว่าเพราะว่าผมพิจารณาดูชีวิตว่าจะตายในคราวนี้ข้าพรเจ้า ถามทำไาจริงหรือจริงหรืออธิบายเรื่องความตายถวายท่านความตายมีสองประเภทหนึ่งตายขาดจากลมหายใจสองกิเลสมันตายหมายเอาความตายประเภทไหนท่านว่าหมายเอาความตายประเภทที่ขาดจากลมหาใจแทนที่ไหนหลวงข้อจึงทราบข้าพระเจ้าย้อนถาม ทราบสเวลาผมเข้านิโรธสมบัติจิตขอนออกมาพิจารณาชีวิตสังขามของตนเห็นว่าจะดับจะม้วยหมอนนะนี่ท่านตอบตามความเห็นท่านแล้วหลวงปู่เคยเชื่อไหมเคยเชื่อทำไมอย่างนั้นเพราะผมเคยพยิจารณาอย่างนี้ได้ผลแล้ว รู้ยห็นตาเป็จริงมาทุกข์ไรท่านว่าอย่างนั้นและก็ย้อนถามท่านอีกว่าเวลาหลวงปู่เข้านิโรดนั้นมันเป็นอย่างไรท่านว่ามันสบายสบายไม่มีทุกขะเบทนาเวลาออกมาแล้วมันเป็นอย่างไรเวลาออกมากันว่ามันมีแต่ทุกข์มีแต่ร้อนทุกข์มาก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 มันไม่สุเวทนาต่างหากนี่โรดแบบนี้เป็นนิโรธที่ขาดสติขาดปัญญาอ่านี่อธิบายให้ท่านฟังแล้วอะไรยกเรื่องนิมิตที่รายการเรียนท่านฟังสมัย <c oughs> เมื่อไปบินสบาดด้วยกันว่าสำหรับผมนี่ยังไม่เห็นด้วยว่าหลวงกูจะตายในครั้งนี้ ผมได้การรเปียนให้หลวงปู่ทราบแล้วว่าผมได้ทิมิตรกับหลวงปู่อ่าและอธิบายเป็นสองหนในหนึ่งถ้าหลวงปู่ป่วยป่วยหนักแต่ไม่ถึงกับคนตายแค่มันดาตายนี่เป็นในที่หนึ่งในที่สองถ้าด้านภาวนาหลวงปู่จะได้บรรลุคุณธรรมสูงอาจจะสูงส นี่เคยได้เรียนถวายตอนบินสบาลด้วยกันหลวงปู่จำได้ไหมจำได้ครับนี่หลวงปู่ตอบนะผมว่าไม่เป็นไรครับไม่ตายแต่หลวงปู่นี่ป่วยหนักแต่ว่าไม่ตายยีเรศมันก็ะจายต่างหาเหรอครับอย่าวิตกกิจณ์เลยนี่สนทนากันและขอให้หลวงพ่อหลวงปู่พี่ใน ในคืนวันนี้แล้วก็เลิกกันไปเมื่อเลิกกันไปวันหลังมาข้าพเจ้าเข้าไปในตอนเช้า่านว่าแน่นอนทีเดียวต้องตายแน่ๆไม่เหลือเลท่ารว่าในชีวิตนี้แล้วก็เลยสั่งให้ข้าพเจ้ากับพวกโยมปันเห็บปันจบรอไว้เรื่องนี้ได้ประกาศกันไปนะถึงอุดรแล้ว ถึงเจ้าคุณธรรมเจดีแล้วเพราะท่านให้ทรงข่าวตายให้เจ้าคุณธรรมเจดีทราบว่าหลวงปู่จะตายแล้วรงอายุสัขาๆแล้วนี่ท่านประกาศท่านให้ทรงข่าวข้าพระเจ้าประดันท่านคัดท่านท่านคัดท่านอย่างไรท่านก็ไม่ฟังเสียงจำเป็นต้องโู่เข็ญทารามให้ทําหีบทันศพให้ได้ข้าพระเจ้าพร้อมโดยหยาบยมจําเป็นก็เลย พาการทำเมื่อทําเหิบสดเสร็จแล้วเอามาไว้ข่านเตียงท่านกับไก่ท่านไอ้ท่านดูท่านเห็นพอทําเหิบเสร็จอาการของการป่วยกว็าหายทุเราลงไปเรื่อยๆจนหายหมดทีเดียวทีนี้เมื่ออาการป่วยหายแล้วข้าพระเจ้าก็เลยเข้าไปสนทนากับท่านทานระบวน พ, พ, พึมคุมพำพำเรื่องอาการป่วย เรื่องท่านเข้านิโรธจะมาบัดได้นิมิตได้บ้ามว่ามันจะตายไม่ตายน้าทำไมมันพูดอย่างนี้ทำไมมันหลอกลวงข่านบนพื้พื้พื้อยู่ดูเหมือนจะตื่นนิมิตหรือยานของตนชักจะเกิดความกระดากไปจะแล้วอาเมื่อได้ช่องดังนั้นข้าไปเจ้ากันเลย หรอโอกาสนะผู้ทุบายให้ท่านฟังว่าอย่างนี้แหละโบราณท่านว่ากวอนฤิเย่งมันขี้แล้วมันตื่นขี้ของมันมันรอ้องอะขี้ตกออกจากต้นจากตูดของมันแล้วมันร้องมันตื่นเข้าใจว่าเป็นคนกว้างก้อนหรือลูกปืนใหญ่เตินกระโดดกระเด็น <c oughs> ลอดเต้นนี้ที่เอิน เนี่ยหลวงปูนี่เตือนนิมิตของตอนนั่นผมได้เรียนให้ทราบแล้วว่าถ้าป่วยป่วยหนักแทบบรรดาตายแต่ไม่ตายนี่เป็นฝ่ายป่วยถ้าเป็นฝ่ายภาวนาฝ่ายธรรมะอ่ต้องใดบรรลุทำยางเป็นที่พอใจดังนั้นเน่ เพราว่าในขณะที่ผมนิมิตเป็นหลวงปู่นั่งมีแต่นั่งภาวนาอย่างเดียวนั้นในสมายในหมายเขาว่าหลวงปู่มีแต่พักความสงบอย่างเดียวใช้แต่ความสงบอย่างเดียวอยู่ด้วยความสงบอย่างเดียวชมแต่ความสงบอย่างเดียวแล้วบางครับหรือบริกรรมให้แก่จิตรวมอย่างเดียวเมื่อจิตรวมก็มีความชมชอยยินดีในจิตรวม เมื่อถอนจากการรวมก็ไ ป, ปยุทธ์ถือเอาจิตที่รวมนั้นเป็นอารมณ์เนี่อยู่อย่างนั้นเนประยุทธ์ถือเรื่องอดีตอนาคตนี่ไม่เห็นปรากฏว่าจิตของหลวงปู่นั้นตัดสังยตตอนไหนนี่แล้วถือว่าจิตรวมนั่นแหละเป็นนิโรธนี่มันเป็นอย่างนั้นถ้าหลวงปู่ทำอย่างนี้ มันก็ตกอยู่ในสังขาร น, นั่นเองนะมันไม่พ้นไปจากทุกเวลาจิตถอนขึ้นมาก็โดนทุกอยู่นั่นมันละไม่ได้แล้วพระองสังขารองคชีวิตว่าจะตายเท่านั้นเองส่วนนิโรธของพระอริยเจ้านั่นหาเป็นเช่นนั้นไหมเมื่อจิตของท่านลงสู่สีติจิตถอนจากสีติจิตแล้วท่านก็พิจรารณาสาวหาเหตุและปัจจัย ของทาทั้งหลายนะหรือนอาทุกกินาาเหตุให้เกิดทุกแล้วมันก็รู้เรื่องกันเท่านั้นท่านกะดับทุกดับเหตุให้เกิดทุกได้เท่านั้นในในโลกของพระอริยเจ้านี่ผมได้ฟังพระโอวาทของท่านอาจารย์มัน่นปุริคัตตหมหิระที่คณะจํามันสาร่วมท่าน ท่านในเล่าเรื่องนิโรธสมาบัตินะเหตุที่ท่านเล่าเพราะท่านพระอาจารย์ปูในสมัยนั้นท่านไปนมัสการท่านพระอาจารย์ใหญ่มันแล้วท่านพระอาจารย์ปูได้เล่าเรื่องนิโรธของท่านถวายพระอาจารย์มันก่อนว่าแทตที่ท่านพระอาจารย์ปู เล่าเรื่องนิโรธของตนฟังนั่นท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นถามเช่นก่อนว่าท่านครูภาวนาเป็นอย่างไรนี่เบื้องตน้นพระอาจารย์ครูก็เลยตอบพวายท่านพระอาจารย์มั่นว่าผมภาวนาเข้านิโรธดูเสมอๆในพระอาจารย์ครูตอบท่านพระอาจารย์มัน่นพระอาจารย์มั่น ถามพระอาจารย์กูว่าเข้าอย่างไรท่านกูเข้านิโรธพระอาจารย์กูเลยเรียนถลายว่าผมน้อมจิตเข้าสูนส่นิโรธเวลาจิตลงสู่นิโรธนั้นไม่มีทุกขเดชนานะอย่างนี้เวลานั้นสบายแสนสบายผมน้อมจิตเข้าสู่นิโรธเลยนี่ท่านพระอาจารย์กูท่านอาจารย์มั่นท่านเล่าเห็นป่ะเวลาถอนออกมาเป็นอย่างไรนี่ท่านอาจารย์มั่นถาม เวลาถอนออกมาก็มีทุกข์เวทนาเป็นธรรมดากิเลสเป็นยังไงอ่ากิเลสมันก็สงบอยู่เป็นธรรมดาบางครั้งก็สงบบางครั้งก็มีก็เริ่ขึ้นนี่ท่านจันมั่นนะท่านอธิบายเล่าเรื่องของพระาจารันกูแล้วท่านพระจันมั่นเลยอธิบายเรื่องนิโรธของท่านพระอาจารันกูว่านิโรธแบบนิโรดมิโรธสมมุติ นิโรดบรญญัติเพราะเป็นนิโรดที่น้อมเข้าเอาไม่มีตัวอย่างของพระอริยเจ้าน้อมจิตเข้านิโรดใครจะไปน้อมเขได้งั้เมื่อจิจที่ยังหยาบอยู่จะไปน้อมเข้านิโรดอันละเอียดไม่ได้ทานานั้นเหมือนกับบุคคลที่ไล่ช้างเข้ารูปูใครจะไล่เข้าได้รููปูมันรูเล็กๆหรือเหมือนบุคคลที่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 ต่อไปว่าท่านได้เข้านี้ท่านพระอาจารย์มั่นเนี่ยท่านว่าท่านได้เข้านิโรธลองดูพิจารณานิโรธลองดูท่านว่าอย่างนั้นท่านว่าเมื่อพิจารณาดูแล้วนิโรธคําว่านิโรธแปลว่าความดับทุกข์ดับเหตุให้เกิดทุกข์ท่านว่าหน่านิโรธคือความดับทุกข์คือความดับตัณหาให้สิ้นไปคือความทําตัณหาให้สิ้นไป คามดับตัณหาโดยไม่ให้เหลือนั้นนั่นเที่ยวความละตัณหาความวางตัณหาความปล่อยตัณหาการสระสรคัดตระขาดจากตัณหาอันเป็นทำเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นให้หมดไปนั้นนั่นเทียวโดยไม่ให้เหลือจากใจของเราอันนี้เรียกว่าที่โรดเป็นนิโรธอยู่ตลอดกาลและเวลาไม่อ้างกาลอ้างเวลาเป็นอาการรีตูข้าว่ายอย่างนั้น ไม่มีการเข้าไม่มีการออกไม่มีต้นกลางปลายนะพรมันเสมอเลยหาการหาเวลาไม่ได้นะไม่มีการเข้านโิโรธไม่มีการออกนโิโรธเพราะตัดสังยดทำเหตุให้เกิดทุกข์ึ้นไปดับไปน่แล้วหมดแล้วก็ชื่อว่าเป็นนิโรธความดับทุกข์ อยู่ตลอดการและเวลาอยู่เท่านั้นในสําหรับท่านพระอาจารย์มั่นอธิบายท่านว่านิโรดนี้เป็นนิโรดที่ดับสังขารไม่มีสังขารแล้วพรรษาทุกเน่จะเรียกว่านิพพานก็ได้แปลว่าบริสุทธิธรรมก็ได้ธรรมะธรรมก็ได้เป็นธรรมที่ไม่ม้วยมอนคือไม่ตายเป็นธรรม ท, ที่อยู่เหนือโลกพ้นโลก หมดสมมติหมดบัญญัติหมดจิริยาเป็นอริยาไม่มีการไปการมานี้เรียกว่ามิโรดสมกับที่ว่าความผู้มีเลี้ยนเพิ่งอยู่เห็นอยู่ปรากฏอยู่ซึ่งทำแต่ครามผู้มีเพี้ยนเพิ่งอยู่นั้น ด้วยปัญญาหรือด้วยความมีสติด้วยปัญญาซึ่งมีความเปลี่ยนเก่งอยู่ด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาปรากฏอยู่เห็นอยู่ผู้ทำทั้งหลายแก่ความผู้มีความเปลี่ยนเก่งอยู่ว่าทำทั้งหลายอ่าย่อมรู้ว่าทำทั้งหลาย เกแต่เหตุและย่อมรู้เหตุและปัจจัยของทาทั้งหลายเมื่อทาทั้งหลายปรากฏรู้อยู่เห็นอยู่แต่ความผู้มีเพี้ยนเึ่งอยู่ด้วยความมีสติปัญญาอันละเอียดเช่นนี้ว่ารู้ว่าทาทั้งหลายเกิดแต่เหตุและมารู้ความขึ้นไปแห่งเหตุและปัจจัยของทาทั้งหลายนั้นแต่ความผู้มีเพี้ยนเพ่งอยู่อย่างนี้ ทามทั้งหลายนั้นย่อมหายจากความสงสัยย่อมเป็นผู้มีกติสัญญาสว่างโลอ ย, อย่างนั้นย่อมกำจัดมันและเสนมานคือมานและเสนมานได้แก่ิเลดมานดำรงอยู่ไม่ได้หลุดพระอาทิตย์ที่อุทัย ทำจัดมืดให้อากาศสว่างจัดนั้นเน่เมื่อเป็นเช่นนี้นิโรธคือเป็นผู้ดับเหตุดับปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดสุกข์ทำเหตุทาปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งหลายให้ขึ้นไปดับเหตุดับปัจจัย อันเป็นเหตุให้เกิดทุกทั้งหลายโดยไม่ให้เหลือนั่ น, น, นเดี่ยวละเหตุละปัจจัยวางเหตุวางปัจจัยปล่อยเหตุปล่อยปัจจัยละเหตุละปัจจัยแห่งทำทั้งหลายที่เป็นเหตุให้เกิดทุกตือตัญหาอันความนั้นเป็นผู้มีความเพียรเพ่งอยู่อย่างนี้ด้วยความมีสติด้วยความมีดดมมปัญญา มากำหนดรู้ชัดว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุและปัจจัยและประทำเหตุและปัจจัยของทำทั้งหลายนีเป็นตัวสังขารเป็นตัววัตตะเป็นตัวสังสาระจักรให้เสื่อมไปให้สิ้นไปให้หมดไปให้สิ้นไ ป, โ ด, ดดปดโดยไม่ให้เหลือดับเหตุดับปัจจัยน้อยไม่ให้เหลือนั้นมันเทียววางเหตุวางปัจจัย โดยไม่ให้เหลือนั้นนั่นเถี่ยวละเหตุละปัจจัยปล่อยเหตุป่อยปัจจัยนั่นะละเหตุละปัจจัยแหงคำทั้งหลายที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นโดยไม่ให้เหลือนั้นนั่นเถียวนี่เรียกว่านิโรธหรือความดับทุกข์ดับเหตุดับปัจจัยให้เกิดทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้ตามผู้มีเพียรเพ่งอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ ซึ่งเหและปัจจัยและความเชื่อไปจากเหตุและปัจจัยของกรรมทั้งหลายที่เป็นเทตให้เกิดทุกข์เป็นตัวว่าแตนั้นกรรมทั้งหลายนั้นย่อมเป็นผู้กาจัดมารและเทนามานหรือจิตเมารและเทนามานย่อมดํารงอยู่ไม่ได้เหมือนพระอาทิตย์ที่อุไทขึ้นยอมกําจัด มืดให้อากาศสว่างฉะนั้นไม่มีความสงสัยเลยฉะนั้นท่านจึงว่าเมื่อเวลาจิตลองไปพักคือจิตรวมอยู่สงบอยู่พักอยู่ก็อย่าไปรบกวนจิตให้มีสติรู้อยู่ว่าจิตของเรามาพักมารวมเมื่อจิตพักรวม เวลาจะถอนปัญญาบังคับจิตให้ถอนให้ถอนเองและให้มีสติเมื่อจิตถอนจากการรวมหรือจากเที่จิตเดิมพิจฉะขึ้นท่านควรมีสติปัญญาน้อมเข้ามาพิจารณาเหตุและปัจจัยแห่งกรรมทั้งหลายเท่านั้นว่ามันก่อตำรายเหตุปัจจัยแห่งกรรมทั้งหลาย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 เมื่อได้สนทนาปราศัยกันไปซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนอุบายแหละความรู้องตาปัญญาของกันและกันต่อฉะนั้นท่านก็นำไปพิจารณาภายหลังทราบข่ า, ขาวว่าท่านได้รู้ดีเห็นดีและมีความหายสงสัยในเรื่องทำทงายขณะที่อยู่ท่ามกันนั้นมีเรื่องเปลก เกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้คือเรื่องนี้พวกข้าราชการและพระปายทรงข้ามเขายุยงติถิ้นนิมทาจะได้ป้ายสีว่าเป็นพระคอมมนิสต์หรือหัวน้าคอมมนิสต์เมื่อเป็นเช่นนี้ประชาชนก็ตื่นเส้นกันไปวันหนึ่งข้าพระเจ้า ออกเดินทางจากท่าจันจะไปเวกที่ภูผููกํากับการอุดรธานีวิทยุทธสั่งให้พวกเจ้าหน้าที่ไปรับจ่าแสดงประจำำําอําเภอบุญการประกัดติดตามฆ่าพเจ้าหวังจะฆ่าให้ตายนั่นเองที่นมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งติดตามไปด้วยแต่ไม่ทันฆ่าพรเจ้า เมื่อไม่ทันข้าพเจ้าเขาเลยกับท้ายหลังเขามาเล่าสู่ฟังว่าอคือเจ้าหน้าที่คนติดตามข่านั่นเองเล่าสู่ฟังว่าผมนี่เองเป็นผู้ติดตามอาจารย์หวังจะฆ่าอาจารย์ให้ตายที่กลางทางแต่ไม่ทันอาจารย์ข้าพเจ้าทามาฆ่าเพรา่ อ, อะไระพ่อเหฮรว่าผู้กำกับการบุรีสังมาทางวิทยุให้ผมติดตามฆ่าอาจารย์นั่นเอง ทีนี้เมื่อข้าพเจ้าได้ลองจากภูวมากพักที่ภูกระแตอำเภอบึงการกับพระภูหนูพุนในคณะสิพักตอนกลางคืนเจ้าหนะ้าที่สี่คนสายตำรวจทหารเข้ามาหาข้าพเจ้าแล้วเขาก็พูดว่าที่ผมมานี่ได้สัง่งได้รับคําสั่งจากผู้กับการรบให้บอกผมมาสืบ อาจารย์ว่าเป็นโงน่าคอมมนนิตเขามีความสงสัยอาจารย์เป็นจริงไหมเขาพูดขึ้นแล้วอาตจจมาก็ย้อนถามเขาว่าสำหรับคอมมนิสต์เป็นอย่างไรเขาตอบว่าพวกคอมมนิสตเขาไม่มีศาสนาทุกศาสนาไม่มีไม่ให้มีคนทุกไม่ให้มีคนม่ให้มีเสมอกันตอนสมบัต ไม่ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของตนให้เป็นของทุนการดังนี้แล้วข้าพเจ้าย้อนถามเขว่าขอมมนิดเขาหนุ่งอย่างไรเขากินอย่างไรลูกเมียก็มีไหมเขาว่ามีเขานุ่งการเจงนุ่งธรรมดาชาลูกเขาลูกเมียเขก็มีเขาก็กินอาหารกินวันหนึ่งกี่ไรสามมือสามหนก็าว่าแล้วเขามี โนผมไหมไม่มีอ้อข้าพรเจ้าได้ตอบก็ว่าเมื่อเป็นชนนี้ข้ามานิดมันมีลูกมีเมียนุ่งเสือ้อนุ่งกางเกงกินอาหารสามา ม, มื้อหัวไม่ร้อนแม่มีอาตาอาวุธ น, นี่สวนอาตมาเนี่ยลูกเมียไม่มีกินข้าหวห้นเดียว งอก็ลนนุ่งหอมผ้าคาสาวพัดจะหาว่าเป็นความมณิษย์อย่างไรได้นี่พูดกับเจ้าหน้าที่ในขณะนั้นอ่าชาพระชาความมณิษย์ไม่มีศาสนาทุกศาสนาแล้วแล้วอาตมาก็เป็นพระบวชในพุทธศ า, าสนาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่อือจะสงสัยว่าพระพุธงกรรมฐานผู้ปฏิบัติ อยู่ตามป่าตามเขาเป็นของนิพน์แล้วจะพระที่ไหนในเมืองไทยจะเาพระที่กินข้าวค่ําเข้าเย็นในรูปไ ม, ม่เนียน่ยนหรือจึงคือว่าเป็นพระไม่ไตรภ omnis ถ้ายังสงสัยว่าพวกกตมานี่เป็นพระ o m n ย์แล้วสมเด็จพระสังฆราชยิ่งเป็นตัวใหญ่เป็นของนิพน์ใหญ่ อีกพระพุทธเจ้าก็เป็นปู่คอมนิ์เท่านั้นอือคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละล้วนแล้วเป็นคําสอนรัทธิของคอมนิ์กันเท่านั้นเองไม่มีความหมายเลยในพุทธศาสนานี่ในพูดก้าเจ้านาที่เมื่อเป็นชนีดก็พวกคุณนี่เองพวกรัฐบาลนี่เองเป็นตัวคอมนิ์ใหญ่มันหาวใบร่มศาสนาคนศาสนาเท่ง ไม่ต้องสงสัยเลยเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพูดสอดขึ้นว่าโคถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้พวกผมตายหมดไม่มีที่พึ่งเขาว่าอย่างนั้นตามเจ้าเลยว่าต้องพูดตามคนจริงเพราะความจริงเป็นอย่างนี้ตายหรือไมา่ตายก็ไม่รู้แหละนี่อย่าไปสงสัยพระทุดงกรรมฐานเลย